ตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงสายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศาบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534 ครั้งที่หนึ่งจากจิ ต, ตวิทยาสู่จิตภาวนาเจริญพร ท, ท, ท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้อาตมาจะพูดในหัวข้อเรื่อง จิตวิทยากับการเจริญภาวนาหัวข้อนี้ก็จะว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจในพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อพูดถึงคําว่าจิตวิทยาก็คงต้องทําความเข้าใจกันหน่อยว่าจิตวิทยาในทีนี้ก็คือวิชาการสมัยใหม่ที่เราเรียกชื่ออย่างนั้น ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกแล้วก็พัฒนามาในประเทศตะวันตกเมื่อพูดถึงจิตวิทยาตะวันตกมาสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงวิชาการเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนอาตมาเห็นว่าควรจะโยงไปหาเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงเหตุการณ์ด้วย หรือความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ว่าที่จริงนั้นเวลานี้ในโลกตะวันตกก็มีความสนใจพระพุทธศาสนากันมากพูดได้ว่ามีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อสองสมวันนี้อาตมาฟังวิทยุ VOA คือวิทยุเสียงอเมริกาก็พูดถึงความเจริญอย่างรวดเร็วของพุทธศาสนา ในประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนโน้นศูนย์หรือสำนักต่า ง, างๆธรรพุทธศาสนามีสักหยิบมือเดียวแต่ปัจจุบันนี้มีถึง425แห่งซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากแล้วก็มีสถิติที่ยังไม่ถึงกับยืนยันว่าจำนวนชาวพุทธนี้เพิ่มจากแสนเป็นสองหรือสามล้านคนแล้วเขาอยากไปเทียบกับ ชาวยูว่ามีแค่สักประมาณสี่ล้านคนซึ่งนับว่าเป็นการเจริญก้าวหน้าของพุทธศาสนาในช่วงเวลาที่นับว่ารวดเร็วมากความจริงนั้นพุทธศาสนาได้รับความสนใจจอกตะวันตกมานานก็เรียกได้ว่าถึงศตวรรษแล้วก่อนที่จะมาเจริญอย่างรวดเร็วในช่วงยี่สิบปีในช่วงก่อนโน้นก็คือเมื่อ ยุคอาณานิคมที่ฝรั่งเข้ามาทางประเทศอาเซียแล้วก็ในการปกครองก็ต้องการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยในการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมนี้ทําให้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยแล้วก็รู้จักพุทธศาสนาผู้ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนาบางคนก็ได้มีความสนใจอย่างจริงจังจนกระทั่งว่าหันไป ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเป็นงานของชีวิตไปบางท่านก็หันมานับถือพุทธศาสนาในตอนช่วงก่อนโน้นความสนใจพุทธศาสนานั้นจะเป็นไปในรูปแบบของความสนใจเชิงปัญญาหรือเชิงวิชาการโดยเฉพาะระยะ น, นั้นเป็นยุคที่อุตสาหกรรมกำลังเจริญใหม่ๆแล้วก็คนก็ฝากความหวังไว้กับอุตสาหกรรม นวัตกรรมซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีนี้ก็เจริญขึ้นมาด้วยอาศัยวิทยาศาสตร์คนกําลังอยู่ระยะที่ตื่นวิทยาศาสตร์มากก็มีความภูมิใจในวิทยาศาสตร์กันอยู่และจุดที่ทําให้ชาติวตันตกหันมาสนใจพุทธศาสนามากก็คือการที่เห็นว่าพระพุทธศาสนานี่มีคําสอนที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ ดังที่เราจะเห็นว่าในสมัยก่อนโนนฝรั่งจะอ้างเรื่องการลามสูตรกันมากเขาก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจที่พุทธศาสนาไม่เหมือนกับาศาสนาใดเลยเพราะาศาสนาส่วนใหญ่นั้นจะเน้นเรื่องศรัทธาต้องเชื่อตามที่าศาสนาสอนแต่เมื่อมาเจอพระพุทธศาสนาสอนอย่างการลามสูตรบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามกันมาตลอดจงกระทั่งว่าอย่าเชื่อแม้แต่ว่า ด้วยมองเห็นว่าท่านผู้นี้เป็นเป็นครูของเราอย่างนี้ก็ทําให้ฝลั่งมีความตื่นเต้นเห็นว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นี้ก็เป็นเรื่องเก่าๆที่เป็นมาทีนี้มาในถึงยุคปัจจุบันนี้ในระยะสัก 20-30 ปีนี้แนวความสนใจก็เปลี่ยนไปคือเกิดจากสภาพความเปลี่ยนแปลงในทางสังคม การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นเป็นมาระยะหนึ่งก็ทำให้คนเกิดปัญหาจากการพัฒนาคนจำนวนไม่น้อยได้มีปัญหาจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดอย่างที่ฝรั่งเรียกว่าไลฟ์สไตล์วิธีใช้ชีวิตที่ผิดพลาดก็ทำให้เกิดปัญหาในทางจิตใจมากซึ่งบางทีเขาก็โทษว่า เจะการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแต่เรียกว่าเป็นปัญหาในยุคอุตสาหกรรมเมื่อคนมีปัญหาทางจิตใจมากทาั้งๆที่มีวัตถุพรั่งพร้อมมากขึ้นก็ทำให้เขามาสนใจพุทธศาสนาในแง่ใหม่มองเห็นศาสนาตอนออกซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยนี้มีการเน้นเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจโดยเฉพาะก็คือเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นจุดเด่น ช่วงหลังนี้ก็ทำให้ฝรั่งในหันมาสนใจพุทธศาสนาในแง่การแก้ปัญหาทางจิตใจด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิหรือการเจริญภาวนานี่เป็นความโน้มเอียงแล้วก็ความเป็นไปโดยทั่วไปในสังคมของตะวันตกเช่นในประเทศอเมริกาเป็นต้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวงการวิชาการแต่หมายถึงว่าคนทั่วๆไปในสังคมนั้นแต่ว่าพร้อมกับการที่คน ทั่วไปมีความสนใจมีความโน้มเอียงมาอย่างนี้ทางวิชาการโดยเฉพาะจิตวิทยาก็หันไปสนใจด้วยและก็มีการศึกษาเรื่องพุทธศาสนากันทั้งในเชิงวิชาการจิตวิทยาภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือการปฏิบัติสมาธิเราก็จะได้เห็นว่าในระยะหลังนี้ 20- 30, 30ปีเนี้ยก็มีศูนย์ปฏิบัติสมาธิ ตั้งขึ้นในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานี้มากมายพุทศาสนาแบบเซนเข้าไปแบบทิเบตเข้าไปแล้วก็แบบเทรวาตเข้าไปอย่างสถาบันของทิเบตที่เรียกว่านารูปะอินสติทิชที่เมืองโบนเดอร์โคโรราโดนั้นก็มีการตั้งเป็นสถาบันการศึกษา นอกจากฝึกสมาธิซึ่งเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็มีการสอนจิตวิทยาในเชิงวิชาการด้วยมีการให้ปริญญาซึ่งเท่าที่ทราบก็ให้ถึงปริญญาโทแล้วก็มีชาติวนตกพากันไปเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยสำนักของทิเบต น, นี้ก็มีสาขาไปทั่วประเทศอเมริกามากมายเมื่อหลายปีก่อนก็มีถึงสามสิบสี่สิแห่งในปัจจุบันนี้แตมาก็ไม่ได้ติดตามซึ่งก่อนนั้น นิกายเซนซึ่งเป็นพุทธศาสนาเน้นสมาธิของญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้วแพร่หลายอยู่จกนกระทั่งทิเบตขึ้นมาเรียกได้ว่าพอจะทันทันกันนี่ฝ่ายเทราวาตโดยมากก็จะเป็นชาวตวนตกเองที่มาศึกษาในประเทศทางด้านอาเซียคนเนี้มาฝึกปฏิบัติบางทีก็มาบทพระฝึกสมาธิจเจริญภาวนา แล้วก็กลับไปประเทศเขาตนมีการไปตั้งศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยวิธีที่เน้นภาคปฏิบัติหรือการเจริญภาวนาก็มีกันขึ้นในแห่งต่างๆดังเช่นที่เมืองบาเล่ที่รัฐเมศซาจิเซ็สที่น่นตันตมาก็เคยไปเยี่ยมก็มีเนื้อที่ประมาณสัก80หรือ8ปไร่หรือ85เอเคอร์ก็จาไม่แม่นแล้ว นี่ก็มีผู้เข้าปฏิบัติทำเป็นคอร์สในคอร์สหนึ่งๆก็มีประมาณสักร้อยห้าสิบคนก็เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนมากจะเป็นคนหนุ่มสาวแทบทั้งสิน้นอันนี้ก็เป็นภาพของความสนใจพระคุณธศาสนาในประเทศตะวันตกในปัจจุบันซึ่งเน้นมาทางสมาธิเช่นกันทั้งว่าการปฏิบัติสมาธินี้จะกลายเป็นแฟชั่นไป แต่ย้อนหลังไปก่อนนั้นที่จริงนักจิตวิทยาก็มาสนใจเรื่องพุทธศาสนานี้แม้ก่อนยุคที่มีความตื่นในเรื่องสมาธิคือว่าสมาธิในระยะแรกๆ ก, ก็มีความสนใจอยู่ในวงของคนจำนวนหนึ่งแล้วก็นักจิตวิทยาก็สนใจในการที่จะนำมาใช้ในทางจิตบาบัดและก็ในทางทฤษฎีวิชาจิตวิทยาของตน ซึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็เกิดจากการที่มองเห็นปัญหาของมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรมนี้แหละรวมความว่าเรื่องความสนใจในพุทุศาสตร์ศาสนาโดยเฉพาะภาคปฏิบัติการเจริญภาวนานี้เกิดขึ้นในตอนตกมากขึ้นมากขึ้นในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพชีวิตและสังคมซึ่งมนุษย์ในยุคนี้ได้เกิดความผิดหวังกับการเจริญก้าวหน้าในทางอุตสาหกรรมแลวก็ เพราะว่าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากโดยเฉพาะปัญหาทางจิตใจจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ก็คือเกิดปัญหากับสภาพแวดล้อมซึ่งทำให้ปัญหาต่างๆนี้ประดังกันมากมายและก็ความรู้สึกที่ว่าวิชาการของตะวันตกเองแม้แต่จิตวิญยาณนี้ก็ไม่เพียงพอในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็พร้อมทั้งความฝ่รู้ด้วยก็ทาให้กระแสความสนใจนี้มาบรรจกเข้ากับเรื่องพระพุทธศาสนา ก็เท่ากับ ว, ว่าชาตะวันตกหรือนักวิชาการโดยเฉพาะจิตวิทยานี้มาสนใจพระพุทธศาสนาเหมือนกับว่าต้องการจะนำเอาขุมปัญญาทางพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการของจิตวิทยาสมัยใหม่หรือจิตวิทยาตะวันตกนั้นมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับ ว, ว่าถ้าเรามองเอาจิตวิทยาตะวันตกเป็นหลักก็ดูคล้ายกับ ว, ว่าจิตวิทยาตะวันตกนี้ มายอมรับเอาจิตวิทยาของพุทธศาสนาเป็นวิชาการที่พึงศึกษาแต่ถ้ามองในแง่งพุทธศาสนาเราก็ถือว่าพุทธศาสนาเป็นตัวของตัวเองคือมีระบบจิตวิทยาที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ในตัวของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทําความเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วในแง่นี้ก็เลยโยงไปหาเรื่องความเหมือนหรือความแตกต่างของจิตวิทยาในพุทธศาสนากับของตะวันตก ซึ่งแม้เราจะพูดในเชิงความสัมพันธ์แต่ก็ควรจะมองความแตกต่างไว้ด้วยเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนได้มองเห็นภาพที่กระจ่างก็จะต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างนี้บ้างไม่มากก็ น, น้อยแต่นี้จิตวิทยาตะวันตกนั้นตามประเพณีของเขาได้เจริญขึ้นมาพัฒนามาโดยมากก็จะอยู่ในแง่ของการ เน้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของคนป่วยทางจิตใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นเป็นแดนสําคัญของการพัฒนาทางจิตวิทยานิจการที่พยายามแก้ปัญหาคนป่วยทางจิตแล้วก็มีการศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจจิตใจมนุษย์พัฒนาเป็นทฤษฎีขึ้นมาซึ่งความรู้เชิงทฤษฎีก็เพื่อแก้ปัญหาทางด้านจิตใจของคนไข้เหล่านั้นด้วยแล้วต่อมาก็มีการใช้ในทางบวกด้วย ใ, ในทางบวกนี่อย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้ในวงการศึกษาอะไรต่างๆแต่ว่ามีอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กับค่านิยมในยุคสาหกรรมการพัฒนาของจิตวิทยาตะวันตกนั้นไปประสานกับค่านิยมในยุคศาหกรรมทําให้คนทั่วไปนี้มองจิตวิทยา เด่นไปในแง่ของการนํามาเป็นอุบายหรือใช้ประโยชน์ในการจัดการกับผู้อื่นเพื่อสนองความต้องการของตนคล้ายๆว่าคนรู้จิตวิทยามีจิตวิทยาดีเพื่อจะได้นํามาใช้ในทางบวกเพื่อจะได้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองทําจุดหมายของตนในการอยู่ในยุคแสวงหาวัตถุนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นและกลายเป็นการจัดการกับผู้อื่นเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนเองอันนี้ อย่างที่เรามีคําพูดกันว่าคนนี้มีจิตวิทยาดีคนนั้นมีจิตวิทยาดีเนี่ยความหมายของตะวันตกมักจะพูดไปนในแง่ของการที่ว่าจะนําจิตวิทยามาใช้ในการที่ทําจุดมุ่งหมายของตนให้สําเร็จความมุ่งหมายนั้นอาจจะเป็นความมุ่งหมายที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ในยุคอุตสาหกรรมนั้นค่านิยมเป็นไปนในทางที่ว่าจะแสวงหาความพรั่งพร้อมทางวัตถุลาบผลเกียรติยศให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้น การมองถึงการใช้จิตวิทยามาสนองจุดหมายของตนเองก็เลยเป็นประเด็นแง่เหล่านี้การแสวงหาราบยศเป็นต้นซึ่งเป็นไปในเรื่องของการสนองความต้องการของตนเองอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่ควรจะสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาตอนตกที่ได้พัฒนามาและก็ปัจจุบันนี้ก็จิตวิทยาตอนตกก็มาเผชิญกับปัญหาของคนในยุคอุตสหกรรมแนวโน้มก็จะต้องเปลี่ยนไป คือการที่ว่าจะต้องมาแก้ปัญหาของมนุษย์ที่ประสบปัญหาจากการแสวงหาในยุคอุตสาหกรรมหรือตามค่านิยมในยุคเทคโนโลยีสมัยก่อนโน้นซึ่งเป็นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทีนี้มองในฝ่ายพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นมองปัญหาจิตใจของคนนี้ไม่ได้จํากัดอยู่ในวงของการป่วยทางจิตคือไม่ไม่ได้เน้นเรื่อง คนไข้โรคจิตแต่ปัญหาจิตใจของคนในพุทธศาสนานั้นหมายถึงปัญหาของมนุษย์ทั่วไปทุกคนที่ยังมีความทุกข์หรือยังมีความบกพร่องยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่ไร้ทุกข์ปัญหาของมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่ไร้ทุกข์นี้เป็นจุดสนใจของพระพุทธศาสนานทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้แล้วพุทธศาสนานก็สนใจปัญหาของคนธรรมดาสามัญที่อยู่ในสังคมทั่วไปนี้เอง แล้วก็ขยายความสนใจนี้ให้ครอบคลุมไปทั้งเรื่องปัญหานั้นที่มีผลต่อชีวิตของบุคคลแล้วก็ที่มีต่อสังคมไปด้วยและการมองปัญหาของมนุษย์นี้พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มองแบบแยกส่วนคือมองเรื่องจิตใจของมนุษย์ปัญหาจิตใจของมนุษย์นี้โดยสัมพันธ์กับ วิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดการดําเนินชีวิตทุกแง่ทุกด้านหรือกิจกรรมฤติกรรมทุกอย่างเพราะนั้นพุทธศาสนานี้มองจิตวิทยาในแง่ของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนามนุษย์เราก็มองว่าจิตวิทยาในพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนามนุษย์แล้วถ้าเราพูดประจิตวิทยาก็อาจจะทําให้เข้าใจผิดเพราะทาให้รู้สึกว่ามีการแยกวิชาเกี่ยวกับจิตใจออกมาจากระบบอื่น ซึ่งระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นโยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นองค์รวมไม่สามารถจะแยกเป็นเรื่องเดียวได้อันนี้ต่อไปที่ควรจะมองก็คือเรื่องของการใช้วิธีการกล่าวได้ว่าทั้งพุทธศาสนาและก็จิตวิทยาสมัยใหม่นี้ใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์นี้ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้เข้ากับยุคสมัยซึ่ง วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้อาจจะมีความหมายที่ต่างไปจากวิธีวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกันทั่วไปก็ได้แต่เพื่อให้เข้าใจก็โยงไปหาศัพท์ที่ใช้กันอยู่คือวิธีการวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องของการถือประสบการณ์เป็นสําคัญแล้วก็ใช้การตรวจสอบและทดลองแต่นี้ความหมายของการตรวจสอบและทดลองในพุทธศาสน์น่กับในจิตวิทยาสมัยใหม่หรือตะวันตกนี้ก็อาจจะไม่ตรงกัน ในจิตวิทยาของตะวันตกนั้นวิธีการวิรทยาศาสตร์เน้นไปทางด้านวัตถุคือการที่จะต้องตรวจสอบทดลองให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้แสดงผลออกมาให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้บางทีก็ดูที่พฤติกรรมในภายนอกการแสดงออกทางด้านที่ปรากฏในเชิงสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ของพระพุทธศาสนานั้นคำว่าประสบการณ์ที่เราจะมองเนี่ย หมายถึงประสบการณ์ของจิตใจประสบการณ์ที่เราได้รับที่รู้ประจักษ์ในทางจิตใจของตอนเองซึ่งเทียบกับทางตะวันตกก็คือ introspection แต่ก็เมื่อศึกษาละเอียดจะเห็นว่ามันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวประสบการณ์ทางจิตใจโดยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคือคนเหล่านี้จะรู้ความรักความโกรธความหลงอะไรต่างๆก็รู้ในจิตใจของตอนเองโดยตรงเป็นประสบการณ์ที่ชัดเจนแน่นอน แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะตนอันนี้ประสบการณ์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและประสบการณ์นี้ก็โยงทางจิตใจนี้ก็โยงออกมาสู่พฤติกรรมทางรูปธรรมภายนอกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในระบบของชีวิตของมนุษย์ซึ่งมยะไม่อาจจะแยกจากกันก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ตามระบบของเหตุปัจจัยอย่างที่เรียกว่าเป็นองค์รวมเพราะว่า ระบบของชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกส่วนอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้ก็จะถือว่าประสบการณ์ทางจิตใจก็จะต้องมีผลโยงมาทางด้านพฤติกรรมและพฤติกรรมก็มีผลลงไปถึงทางด้านจิตใจด้วยจากนี้ก็ทําให้เรามองเห็นว่าบางทีทางด้านจิตวิทยาตอนตกนั้นก็มักจะมองเน้นเรื่องของด้านจิตวิทยา ด้านปัญหาชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยโดยเน้นเป็นอย่างอย่างไปโดยที่ว่าต่างสํานักก็ยึดเอาแต่ละจุดแล้วก็ไปนเน้นจุดนั้นบางทีถึงกับปฏิเสธด้านอื่นอย่างบางสํานักก็อาจจะเน้นสนใจเฉพาะเรื่องจิตไร้สํานึกหรือให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษบางสํานักก็เอาเฉพาะเรื่องพฤติกรรมถือแต่ว่าพฤติกรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นของแน่นอนเป็นของจริง ไม่ยอมรับเรื่องภายในจิตใจเลยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแยกเน้นกันไปเป็นอย่างๆแต่ในพุทธศาสนานั้นถือว่ามองทุกด้านถือว่าทุกส่วนนั้นมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระบบของชีวิตจิตใจของมนุษย์ทั้งสิน้นจึงต้องมีการโยงประสานกันและก็มองความเป็นปัจจัยแก่กันและสัมพันธ์กันซึ่งความสัมพันธ์ของแต่ละด้านของชีวิตจิตใจของมนุษย์นี้ ที่มาสัมพันธ์กันนั้นก็จะมีความสำคัญที่อาจจะไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เราจะมองว่ามีความสาคัญเท่าไหร่ก็สัมพันธ์กับระดับพัฒนาการเขาบุคคลแต่ละคนด้วยเช่นเรามองถึงบุคคลที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับต้นในระดับนี้เรื่องของด้านพฤติกรรมภายนอกก็จะมีความสาคัญมากแต่เมื่อบุคคลนั้นมีพัฒนาการระดับสูงขึ้นไป เรื่องทางด้านจิตใจที่ลึกซึ้งจนกระทั่งระดับปัญญาก็จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นจงกระทั่งด้านพฤติกรรมภายนอกนี้ถือว่าลงตัวอย่างที่เรียกว่าแทบไม่ต้องเอาใจใส่ดังนั้นพุทธศาสนานี้จะมองภาพรวมโดยที่เห็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทุกระดับทุกขั้นตอนทุกส่วนมาโยงมาสัมผันธ์ซึ่งกันและกันจะเน้นเรื่องใดก็ต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องของความเป็นไปในชีวิตจิตใจที่แท้จริงอย่างที่ว่าเช่นพัฒนาการของบุคคล ในกระบวนการพัฒนามนุษย์เป็นต้นอันนี้นอาจาตย์มาก็อยากจะชี้ให้เห็นอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าพูดตามหลักแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนานั้นมองกฎ ธ, ธรรมชาติโดยแยกออกไปเป็นด้านๆคือในด้านที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย์นี้จะมีส่วนที่เป็นกฎธรรมชาติที่สําคัญอยู่สองส่วน ได้แก่จิตนิยามกับกรรมนิยามจิตนิยามก็คือกฎเกี่ยวกับการทํางานของจิตใจแล้วก็กรรมนิยามก็คือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมและก็ผลของพฤติกรรมนั้นๆอันนี้พุทธศาสนาถือว่าเป็นคนละกฎเป็นกฎธรรมชาติคนละด้านโดยรวมแล้วมันก็สัมพันธ์เป็นกฎเดียวกันแต่ว่าสามารถแยกศึกษาเป็นคนละกฎ เพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องจิตตนิยามกับกรรมนิยามเป็นสองส่วนแล้วเมื่อศึกษาสองส่วนนี้เราจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตนิยามกับกรรมนิยามอีกทีซึ่งต่างกับจิตวิทยาตะวันตกซึ่งถ้าเรามองจากแง่มุมของพุทธศาสนาจะเห็นว่าการมองเรื่องกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจมนุษย์นี่ยังสับสนปนเปนอยู่ใช่ว่าอย่างการที่มองเป็นเรื่องพฤติกรรมอย่างเดียวอะไรนี่เลย โดยมองเรื่องจิตใจมาเป็นเรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆก็อย่างนี้ก็เท่ากับว่าสับสนระหว่างจิตนิยามกับ ก, บกรรมนิยามเป็นต้นอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่ควรจะได้นํามาพูดไว้พอให้เป็นหัวข้อสําหรับสังเกตอันนี้อีกอย่างหนึ่งจากการที่ว่าทางตะวันตกเนี่ยมองแยกเรื่องเกี่ยวกับระบบจิตใจปัญหาชีวิตของมนุษย์นี่เป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆก็ทําให้ มีการแยกเรื่องจิตกับปัญญาออกไปในชนิดที่ว่าบางทีก็เอาอย่างเดียวไม่ได้มองเห็นความสำคัญขออีกอย่างโดยเฉพาะมักจะเอาแต่เรื่องจิตใจโดยที่ว่าบางทีไม่ได้สนใจเรื่องปัญญาบางทีสนใจบ้างก็ไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือก็เน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้องอันนี้สําคัญอันนั้นจึงจะสําคัญอะไรอย่างนี้ซึ่งพระพุทธศาสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราถือว่าทั้งหมดนี้ เป็นส่วนประกอบเป็นองค์ร่วมหรือเป็นปัจจัยรวมอยู่ในระบบความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องจิตกับปัญญาในพุทธศาสนานี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากแล้วถือว่าจะเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้มีผลต่อกันด้วยปัญหาของมนุษย์นั้นโดยเฉพาะปัญหาทางจิตใจก็จะมีสาเหตุทางจิตใจด้วยแต่แล้วก็จะมีสาเหตุทางด้านปัญญาด้วย แล้วว่าให้ลึกซึ้งแล้วสาเหตุทางด้านจิตใจนี้จะเป็นส่วนที่เบื้องต้นกว่าเมื่อสืบลึกลงไปถึงที่สุดก็จะเป็นปัญหาทางด้านปัญญาหรือการขาดปัญญาเพราะฉะนั้นในขั้นสุดท้ายการแก้ปัญหาจิตใจหรือระบบชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจึงต้องเอาปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาเป็นตัวตัดสินซึ่งปัญญาจะกลายมาเป็นตัวแก้ปัญหาทางด้านจิตใจและนำจิตใจมนุษย์ ไปสู่อิสรภาพหรือเราจะพูดว่านํามนุษย์นั่นเองไปสู่อิสรภาพอย่างเราพูดถึงคําว่าทุกข์ของมนุษย์นี้ทุกข์ของมนุษย์นี้เรากล่าวถึงสาเหตุทางด้านจิตสาเหตุทางด้านระดับจิตใจพระพุทธศาสนาจะใช้คําเป็นวิชาการง่ายๆว่าสาเหตุระดับจิตใจก็คือตัณหาแต่สาเหตุทางจิตใจนี้หรือระดับตัณหานั้นยังไม่ใช่เป็นขั้นสุดท้าย การแก้ปัญหาทางด้านตัณหาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทุกขของมนุษย์ได้แก้ปัญหาปัญหาของมนุษย์ไม่จบสาเหตุทางด้านปัญญาที่ลงลึกลงไปอีกก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันนี้เราก็สืบปัญหาสองระดับและจะแก้ปัญหาให้จบต้งแก้ถึงการทำลายที่อวิชชาหรือถ้าจะมองภาพรวมมาไปถึงระบบชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเราก็จะมองได้ถึงสชั้นคือระดับแรกเป็นระดับพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมก็ได้แก่สาเหตุทางด้านความทุจริตหรือเจตนาที่ไม่ถูกต้องเจตนาที่ไม่ดีงามเราเรียกว่าเป็นปัญหาในระดับศีลคือระดับพฤติกรรมและต่อไปก็ทางระดับจิตใจก็เป็นสาเหตุระดับตัณหาแล้วก็สืบลึกลงไปก็เป็นสาเหตุระดับปัญญาแล้วทั้ง3าระดับนี้มีความสัมพันธ์โยงเป็นปัจจัยแก่กันอย่างไรการแก้ปัญหาควรจะดําเนินตามลำดับอย่างไร และการแก้ถึงที่สุดจะต้องจัดการอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นจุดสนใจและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนไวเอาละอมาว่านี่ก็ได้พูดมาในเรื่องของความสัมพันธ์ของจิตวิทยาสมัยใหม่กับพุทธศาสนาเน้นในเรื่องความแตกต่างบางอย่างให้เข้าใจภาพรวมพอสมควรทีนี้อาตมาก็จะวกกลับมาอย่างที่ว่าในตอนต้นถึงเรื่อง ความเป็นไปในสังคมตะวันตกที่ทำให้มีความสนใจในพุทธศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะก็เรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้อัามาได้กล่าวแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพชีวิตและสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมมนุษย์ในยุคพัฒนาโดยเฉพาะก็คือในยุคอุตสาหกรรมที่ผ่านมานี้แหละที่นามาสู่ความสนใจในพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ ความเจริญในยุคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกนั้นได้ทำให้คนมีความพรั่งพร้อมทางวัตถุมากขึ้นแต่แล้วก็ปรากฏว่าชีวิตของมนุษย์ที่เจริญพรั่งพร้อมในวัตถุมากขึ้นนี้กลับมีปัญหามากขึ้นในด้านจิตใจเราอาจจะใช้ศัพท์ของฝรั่งซึ่เขาพูดอยู่เสมอปัญหาในทางชีวิตจิตใจของสังคมอเมริกันปัจจุบันนี้ เป็นตัวอย่างก็ได้แก่เรื่องสตรีส s คือความเครียดอันนี้จะเป็นศัพท์ที่เด่นมากในปัจจุบันแล้วก็เอเรียนชันความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็บอดดัมความเบื่อหน่ายแล้วก็โลลีเนสความว้าเวเดียวดายหรือความโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอมติเนส ความรู้สึก empty คือว่างเปล่าไร้ความหมายเป็น inner emptiness ความรู้สึกว่างเปล่าในภายในสภาพจิตใจที่เป็นปัญหาเหล่านี้กำลังรบกวนรังควานความสุขของคนในประเทศตะวันตกเป็นอย่างมากจนกระทั่งพยายามหาทางออกจนบางทีก็เห็นถึงกับว่ารู้สึกเหมือนว่าความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุ น, นั้นไม่มีความหมายเสียเลยในเมื่อปัญหาเหล่านี้มีอยู่แล้วก็มีความปีบขั้นกดดันซึ่งรวมสับ พูดง่ายๆในทางบูชิตศาสนาก็คือคําว่ามีความทุกข์นั่นเองเคยมีฝรั่งที่เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความเจริญของสังคมอเมริกันได้สรุปสภาพชีวิตจิตใจของคนในสังคมอเมริกันในปัจจุบันไว้ว่ามีสภาพที่เป็นปัญหาในีสมอย่างที่สําคัญประการที่1ก็คือมีความรู้สึกว้าเหวโดดเดี่ยวความรู้สึกว้าเหวโดดเดี่ยวนี้ก็ ทำให้เกิดมีความต้องการที่จะเข้าสังกัดในหมู่มีหมู่คณะมีชุมชนหรือคอมม u n นิตี้ที่ตนจะได้เข้าร่วมอยู่แล้วก็มีความจงรักภักดีอันนี้ก็เป็นสภาพจิตใจหนึ่งเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นมาซึ่งบางทีเขาจะยอมสละแม้แต่ความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเกียรติยศ เพื่อจะได้ไปอยู่ในชุมชนหรือคอมมินิตี้อย่างนี้ที่เขาจะได้แก้ปัญหาความว้าเหวโดดเดี่ยวนี้อันนี้ประการที่สองก็คือความรู้สึกที่คล้ายๆกันนั่นแหละแต่เป็นอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกอ้างว้างว่างเปล่าหรือกลวงภายในคือในใจิตใจนี่มันกลวงมันว่างมันเปล่าไม่มีอะไรเลย ทีนี้ความอ้างว้างว่างเปล่ากลวงภายในนี้ก็จะทำให้เกิดความต้องการหลักยึดเหนี่ยวต้องการกดเกณฑ์ต้องการบทบาทต้องการสถานะที่ชัดเจนตลอดจนกระทั่งว่าต้องการอำนาจที่บอกว่าจะต้องทำอะไรเพราะคนในสังคมมริกันนี้เชิดชูเสรีภาพแต่ไปไปมามาแล้วสังคมมีทางเลือกจนกระทั่งว่าเลือกไม่ถูก ในที่สุดคนอ่อนเพลียหน่วยหน่ายต่อการที่จะช่องใช้ปัญญาในการคิดในการเลือกสิ่งต่างๆเลือกไม่ถูกตอนแรกก็มีความขยันที่จะเลือกต่อมามันมันคิดบ่อยมันชักหนักเกินไปคิดไม่ไหวไม่อยากจะคิดปัจจุบันนี้คนสังคมเวรการมาถึงขั้นที่ว่าไม่อยากจะคิดแล้วเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขามาสั่งให้ทําอะไรดีกว่าคือมีอะไรจะให้ทําก็บอกมาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็เลยยอม ให้มีชุมชนขึ้นมาแล้วและชุมชนนอาจจะวางกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมีวินัยที่เข้มงวดมีคำสั่งออกมาให้ทำอะไรก็ทาไปตามโดยที่ว่ายอมไปตามนั้นโดยที่ว่าไม่มีการขัดขืนไม่ต้องคิดหาเหตุผลทางที่เป็นสังคมที่ให้โอกาสในการคิดเหตุผลมากมีเสรีภาพในทางความคิดแต่ว่าคนเบื่อหน่ายหมดแรงที่จะคิดไม่ต้องการใช้เสรีภาพนั้นกลับต้องการสยบยอม ภาวะในสังคมในปัจจุบันอันหนึ่งที่บางคนนักจิตวิทยาตะวันตกถึงกะยกขึ้นมาเขียนเป็นเรื่องได้แก่ภาวะที่เรียกว่าไซคิคเซเรนเดอร์ความสยบยอมในทางจิตใจอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมตะวันตกและประการที่สามก็คือสภาพจิตที่เรียกว่าความเลื่อนลอยไม่มีความหมายไร้จุดหมายเรียกว่าลักออฟดิเรกชคือรู้สึกว่าอะไรแต่ อ, อะไรมันเต็มไปหมด ความเจริญต่างๆก็มีให้เลือกมากมายเป็นเรื่องสับสนไม่ชัดเจนข่าวสารก็มากมายท่วมท้นโดยเฉพาะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลก็มากเหลือเกินปัญญาไม่พอที่จะคิดพิจารณาเรื่องเหล่านี้คนก็เข้าสภาไว้ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือหมดแรงที่จะคิดหมดแรงที่จะพิจารณามีความรู้สึกเลื่อนลอยไม่มีความหมาย เมื่อกี้นี้ต้องการกฎเกณฑ์คําสั่งมาเลยจะเอาไงก็เอาทีนี้ต้องการหลักความเชื่อในข้อนี้จะต้องการหลักความเชื่อที่ตายตัวเพราะฉะนั้นเมื่อชุมชนนั้นเขาตั้งขึ้นมาแล้วนอกจากมีกฎเกณฑ์แล้วก็กรอกหลักความเชื่อเข้าหูไปทุกวันทุกวันคนพวกนี้ก็จะเชื่อไปตามนั้นโดยไม่ต้องคิดสงสยัยหาเหตุผลเพราะฉะนั้นคนในกลุ่มพวกนี้จะมีลักษณะที่ว่าพูดอะไรเป็นแบบเดียวกันทําอะไรเป็นแบบเดียวกัน เพราะว่ามันมีลักษณะที่ว่ามันมีสิ่งที่มาเติมให้เขาเต็มขึ้นมาในภายในใหายหายเลื่อนลอยให้มีความหมายให้ดาเนินชีวิตอย่างมีทิศทางขึ้นอันนี้กลายเป็นว่าสังคมที่จเจริญไปอย่างมากมายมีเสรีภาพให้ปัญญาให้คนมีความคิดแต่ผลที่สุดมันกลับตรงกันข้ามคนกลับไม่ต้องการใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความคิดอยากจะเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าให้เขาสั่งมา สำเร็จรูปนี่คือสภาพจิตใจที่เป็นปัญหาในสังคมอเมริกันขณะ น, นี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นสภาพของคนที่ว่าทาั้งๆที่เจริญในความรู้และสติปัญญาแต่สภาพความหลงไหลงมงายก็มีขึ้นเป็นคู่แข่งกันแล้วอีกอันหนึ่งที่ฝรั่งเองพูดก็คือว่าขณะนี้สังคมอเมริการแทบจะไม่มีภาวะที่เรียกว่า public happiness เลยภาวะความสุขที่เป็น public ที่เป็นของส่วนรวม คือขาดความอบอุ่นขาดความไว้วางใจกันขาดความมีไมตรีจิตที่แท้จริงหรือขาดน้ำใจจริงต่อกันอันนี้เป็นสภาพจิตที่เป็นปัญหาซึ่งเนื่องกันอยู่กับสามข้อที่อาตอมากล่าวมานั้นทีนี้จิตวิทยาในความหมายที่อาตอมากล่าวข้างต้นที่ทางสังคมสากกรรมนี้ได้นำเอาจิตวิทยาตะวันตกไปใช้นี่ก็คือ จิต ว, วิทยาในแง่ของความหมายที่ว่าเป็นการที่สามารถใช้อุบายในการจัดการกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนสนองความต้องการของตนเองและกลายเป็นว่าจิต ว, วิทยาในความหมายนี้ได้กลับมาเป็นส่วนที่ซ้ําเติมปัญหานี้ให้มากขึ้นหรือกลับมาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ก่อปัญหาทางจิตใจแก่มนุษย์ยุคปัจจุบันในสังคมตะวันตกนั้นนั้กลายเป็นว่ามองไปมองมาจิต ว, วิทยาตะวันตกนี้มีส่วนร่วมในการก่อปัญหาแก่ ชีวิตจิตใจของคนตะวันตกไปด้วยก็จากเรื่องความเป็นไปในสังคมเหล่านี้ที่ทําให้เกิดปัญหาทางชีวิตจิตใจของมนุษย์นี้เป็นจุดอันหนึ่งที่มากระตุ้นเราให้วงการจิตวิทยาเนี่ขยายความสนใจจากความเจ็บไข้ป่วยทางจิตของคนไข้ในคลินิกอย่างที่อาตมากล่าวตอนต้นแล้ววเดิมนั้นจิตวิทยานี่จุดเล้นความสนใจอยู่ที่คนไข้ที่ป่วยทางจิตในคลินิกการรักษาในคลินิกตอนนี้ สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแบบนี้ที่มองเห็นชัดว่าคนมีปัญหาทาง จ, จิตใจได้ทําให้วงการจิตวิทยาตะวันตกขยายความสนใจจากปัญหาความเจ็บไข้ป่วยทางจิตของคนไข้ในคลินิกนี้ออกมาสู่อาการเจ็บไข้หรือความป่วยของคนทั่วไปคือปัญหาทางจิตใจของคนในสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราพูดตามภาษาที่เขาบอกว่าฝรั่งนั้นได้ ขยายความสนใจจาก s i กเ person คือบุคคลที่เจ็บป่วยมาสู่ซิ Society มาสู่สังคมที่ป่วยขณะนี้ข้าพิศษับเรียว่า s i ซิ Society หรือจากบุคคลที่ป่วยหรือ s i กเ person มาสู่โซคอลนอร์ม r ลเ n อร์ซันมายัางคนที่เรียกเรียกกันว่าเป็นปกติคือคนที่ดูดูก็เป็นปกติแต่ว่าใน s i ซิ Society ซึ่งคนที่เรียกว่าเป็นนอร์มัหรือปกติเนี่ย กายเป็นคนที่มีปัญหาแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการที่ขยายคอนเซปต์และจุดหมายของกา ร, รบําบัดทางจิตของตะวันตกหรือจิตวิทยาตะวันตกนี้ให้กว้างออกไปแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพเดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของจิตวิทยาตะวันตกอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บ และวก็สุขภาพซึ่งมีความหมายกว้างออกไปจากเรื่องความเจ็บไข้ทางจิตที่ปรากฏชัดอย่างที่ว่าเช่นเป็นโรคจิตโรคประสาทเนี่ยออกมาสู่ปัญหาความเครียดความเบื่อหน่ายอะไรต่างๆความรู้สึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเงาว้าเ ว, ว, ว, ว, วความรู้สึกไร้ายความหมายอะไรต่างๆความขาดทิศทางอะไรต่างๆในจิตใจของคนทั่วๆไปในสังคมทีนี้ในเมื่อ จิตวิทยาตอนตกขยายความหมายจิตวิทยาของตนออกมาอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้มาบรรจบกับพุทธศาสนาเพราะอาตมานี้ได้บอกไปแล้วว่าพุทธศาสนานั้นเมื่อพูดถึงปัญหาชีวิตจิตใจของมนุษย์ไม่ได้เน้นที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตใจของคนเป็นโรคจิตหรือเราเรียกกันว่าป่วยทางจิตพุทธศาสนานี้แทบจะไม่พูดถึงเลยแต่พูดถึงปัญหาจิตใจของทุกคนที่ยังไม่ไร้ทุก ก็คือคนธรรมดาสามัญ น, นี้ซึ่งปัญหาของคนในทางจิตใจชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะมีในระดับต่างๆกันเบาบ้างสันน้อยบ้างตราบใดที่ยังไม่เป็นคนสมบูรณ์ยังไม่ละ ก, กิเลสหมดสิ้นก็ยังอยู่ในวงความสนใจของพุทธศาสนาทั้งสิ้นทีนี้การที่ว่าจิตวิทยาตะวันตกจะมาบรรจบกับพุทธศาสนาที่มาสนใจนี้ก็กล่าวได้ว่าปีจุดสาคัญ2จุดใหญ่ๆก็หนึ่งก็คือ ความสนใจในการแก้ปัญหาจิตใจหรือการหาความสุขให้กับจิตใจโดยทั่วๆไปอย่างที่บอกว่าแก่คนสามัญมนุษย์นี่แหละนี่เป็นเรื่องหนึ่งคือการแก้ปัญหาจิตใจและก็ะซึ่งอันนี้ก็ไปมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการได้ยินกิตติศัพท์ของตะวันออกซึ่งมีสิ่งที่จะเสนอให้แก่การแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะก็คือเรื่องสมาธิจกระทั่งว่า ทางตะวันตกนี่ได้มีความสนใจเรื่องสมาธิกันเป็นแฟชั่นไปเลยแล้วก็พลอยให้ดังเมืองไทยเราตะวันออกนี่เราเคยมีภาพไม่ดีต่อสมาธิมาสมัยหลังๆนี่คนสมัยใหม่ก็กลับไปสนใจสมาธิไปด้วยซึ่งฝรั่งเองก็เขียนบอกว่าการที่คนในประเทศอาเซียตะวันออกเฉียงใต้หันไปสนใจสมาธินี่เขาถือว่า ความสนใจสมาธิในโลกตอนตกมีส่วนเป็นอิทธิพลด้วยอันนี้เป็นข้อเขียนของฝรั่งกล่าวไว้เองก็ น, นี่เป็นแง่ที่1คือความสนใจที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจหาความสุขให้กับจิตใจโดยได้ยินกิจิศัพท์เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะสมาธิก็เลยทําให้มาสนใจพุทธศาสนาและก็แง่ที่สองก็ที่กล่าวมาแล้วก็คือการขยายความหมายของความเจ็บป่วยทางจิตหรือขอบเขตความสนใจในวงการจิตวิทยา ทีนี้ก็การขยายความหมายนี้ก็มาประสานตรงกับความหมายของปัญหาความทุกข์พื้นฐานในความหมายของพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เา้วาวราชธตรมก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้จุดสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับจิตวิทยาตะวันตกโดยเฉพาะก็คือแง่ที่ว่าจิตวิทยาตะวันตกมาสนใจพุทธศาสนาอย่างไรและก็สนใจในจุดไหนประเด็นไหน ย้ำอีกทีว่า1ก็คือสนใจการแก้ปัญหาจิตใจหาความสุขให้กับจิตใจมนุษย์โดยได้ยินกิติศัพท์เรื่องสมาธินําเอาเรื่องสมาธินี้ไปใช้และประการที่2เกิดจากการขยายความหมายของความของปัญหาจิตใจและชีวิตของมนุษย์นี้ออกจากความเจ็บป่วยของจิตใจมาสู่ปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ซึ่งตรงกับความหมายของพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไม่เอาเฉพาะเรื่องคนป่วยโรคจิต ท, ที่มีจํานวนน้อยในสังคมเท่านั้นแต่มุ่งแก้ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนซึ่งในพุทธศาสนานี้การแก้ปัญหาของมนุษย์นี้จะต้องโยไปหากระบวนการพัฒนามนุษย์มนุษย์จะแก้ปัญหาไม่ตกถ้าไม่พัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้จึงสัมพันธ์กันการแก้ปัญหาของมนุษย์ก็ต้องสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนามนุษย์ด้วย แต่ก็ตอนนี้ก็ไปอ่านว่านักจิตวิทยาตอนตกเริ่มเข้ามาหาพุทธศาสนาโดยสนใจระบบวิธีในการแก้ปัญหาหรือว่าทำชีวิตจิตใจให้มีความสุขแล้วก็เลยสนใจเมดิเตชันนั่นเองสั์ภาษาอัติษที่เขาเรียกสมาธิก็คือเมดิเตชันแต่ศัพท์เหล่านี้ที่จริงบางทีก็ใช้กันเจนทั ง, งว่ามีความสับสนและพระ่ำซึ่งถ้ามีโอกาสเราก็จะต้องมีการอภิปรายหรือชี้แจงกันอีกเพราะคําว่าเมดิเตชันนี่ก็เป็นศัพท์ที่คลุมคุม ถ้าใช้ว่าตรงกับสมาธิมันก็เป็นเพียงด้านหนึ่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนาซึ่งจะไม่ครอบคลุมพุทธศาสนาทั้งหมดหรือไม่ครอบคลุมคำที่เราใช้ว่าการจเจริญภาวนาแต่นี้นักจิตวิทยาตะวันตกนั้นเมื่อมาสนใจอย่างเรื่องเมดิเตชันแล้วก็เลยเข้ามาศึกษาด้วยตนเองแล้วก็มีการทดลองปฏิบัติ ด, ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นในระดับนี้มันก็ยังเป็นการเข้ามา ใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพียงระดับหนึ่งคือระดับของวิธีการซึ่งเป็นเรื่องของการใช้วิธีการมาแก้ปัญหาแล้วก็จะมีความรู้สึกเป็นแบบว่าเป็นการมาเอาสิ่งดีในพุทธศาสนาไปเสริมจิตวิทยาตอนตกหมายความว่าเขามีความเชื่อตามสำนักของตนของตนเช่นว่าสานัก p s y c h l y s i s จิตวิเคราะห์ เขาก็มีความเชื่อตามแนวความคิดของตอนเองมีทฤษฎีของตอนเองแล้วเสร็จแล้วก็มาเอาความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเช่นสมาธินี้ไปเสริมการใช้ในการปฏิบัติการก็ตามหรือว่าในทางทฤษฎีก็ตามเช่นว่าในการแก้ปัญหาคนป่วยโรค ก, กิจหรือขยายออกมาสู่ชีวิตของคนในสังคมทั่วไปไปเสริมทฤษฎีอะไรต่างๆนี้แต่นี้ถ้าหากว่าทาแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่า มันจะมีปมปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นคือในเรื่องของจิตวิทยาซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของตัวมนุษย์เองเนี่ยการที่จะมาใช้มาเอาแต่เฉพาะระดับวิธีการแก้ปัญหาไปเสริมของตนเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันวกเข้าสู่ปัญหาใหญ่ที่สำคัญต่อไปอันนี้มันเป็นยังไงก็จะต้องขยายความกันนิดหน่อย คือจติตวิทยานี้เกี่ยวกับตัวมนุษย์แท้ๆถึงรากถึงแก่นไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุถ้าเราจะเอาจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตใจเราก็ลองเปรีเทียบกับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีซึ่งอาศัยความรู้ใน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยไปประดิษฐ์ไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกสบายทีนี้สิ่งที่เกิดจากวิทยาศาสตร์แบบนั้นที่ไปเป็นเทคโนโลยีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์แค่เปลือกนอกตัวเขาเป็นด้านนอกของชีวิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์แบบนั้นไม่จำเป็นจะต้องเข้าถึงความจริงพื้นฐานของมนุษย์ก็ได้คือเรียนรู้เกี่ยวกับโลกวัตถุ มีความรู้เท่าไหรก็ประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาให้มนุษย์ใช้ไปเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็ใช้ประโยชน์ไปด้วยพร้อมกับว่าในเวลาเดียวกันก็พัฒนาตัวเองในแง่ของความรู้ความเข้ า, า, า, าใจพัฒน า, พ, ฒนาพัฒนาทฤษฎีนี้จเจริญก้าวหน้าไปด้วยความจเจริญก้าวหน้าของทฤษฎีก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าในการ ใช้ประโยชน์ก็ใช้ไปเลยทีเดียวบางทีความรู้นั้นพัฒนาไปพัฒนาไปาต่อมาก็รู้เห็นว่าความรู้ที่ค้นพบแต่ก่อนนี่ผิดผิดก็แล้วไปมันก็ไม่เสียหายกับชีวิตมนุษย์เท่าไรเพราะมันเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ภายนอกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็จะได้เห็นว่าการที่เรามีความรู้ทางวัตถุหรือโลกวัตถุโลกธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ย แล้วนํามาใช้ประโยชน์บางทีมันก็ก่อปัญหากับชีวิตมนุษย์เหมือนกันอย่างที่เราประสบปัญหากเกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมเสียเนี่ยแล้วก็เกิดจากการที่ว่ามนุษย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งแล้วก็นําความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีเสร็จแล้วต่อมาปรากฏว่ามันเกิดโทษขึ้นก็ค้นพบว่าที่จริงนั้นใ้ความรู้ที่ได้มาตอนแรกมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้น แต่นี่ก็เรียกว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นคือว่ามันยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเปลือกนอกชีวิตด้านนอกของมนุษย์ไม่สาคัญเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเรามาถึงเรื่องจิตวิทยาที่เข้าถึงแก่นถึงตัวมนุษย์แท้ๆเนี่ยเราจะใช้วิธีที่ว่าลองผิดลองถูกก้าวไปไม่ได้คือถ้าตราบใดที่จิตวิทยายังไม่รู้จักธรรมชาติของมนุษย์ยังถูกต้องแล้ว การแก้ปัญหาของชีวิตจิตใจมนุษย์ก็จะถูกต้องจริงไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นคล้ายๆอย่างที่เรียกว่าดิเลมมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าถ้าหากว่าจิตวิทยาตะวันตกนี้มีปัญหากับการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ยังไม่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นแม้จะเอาวิธีการทางพุทธศาสนาไปใช้มันก็จะยังแก้ปัญหาไม่ได้สิ้นเชิงไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องการวิธีการหรือปัญหาระดับวิธีการหรือการแก้ปัญหามันต้องโยงไปสู่ปัญหาระดับตัวองค์ความรู้คือเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ด้วยก็ในที่นี้ก็เท่ากับเป็นการสรุปว่าการแก้ปัญหาของมนุษย์ในระดับวิธีการนั้นจะถูกต้องได้ต่อเมื่อมีความรู้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างถูกต้อง ซึ่งความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นี้ก็รวมไปถึงความเข้าใจจุดหมายของชีวิตมนุษย์ไปด้วยโยงอยู่ ด, ด้วยกันเพราะนั้นในกรณีที่ศึกษาพุทธศาสนาไปเสริมจิตวิทยาตะวันตกโดยเฉพาะเอาวิธีการไปใช้เนี่ยก็ย่อมมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดถ้าภาพมนุษย์หรือภาพจิตใจมนุษย์ที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องคือแล้วก็ยังมองธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตมนุษย์อย่างเดิม พราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการเอาสมาธิของตอนออกนี้ไปใช้เพื่อสนองค่านิยมของสององังคมอุตสาหกรรมคืการที่เอาสมาธิไปใช้เพื่อจะให้มีความสามารถมากขึ้นในการที่จะดำเนินธุรกิจอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ในกรณีที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาตะวันตก ข้อปฏิบัติทางจิตใจในตะวันออกซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์กันอีกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจริงหรือไม่ก็โดยอาศัยพื้นฐานอย่างที่อัตามากล่าวมาเอาละก็ไปสรุปในตอนนี้ว่าจากเหตุผลที่กล่าวมาก็จะต้องมีการศึกษาพุทธศาสนาหรือเรื่องจิตใจของพุทธศาสนาทั้งสองระดับคือ1ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตอันนี้เป็นตัวแกนที่สําคัญ แล้วก็สองการแก้ปัญหาของมนุษย์ในระดับวิธีการอันนี้ก็เท่าที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าตะวันตกเนี่ยสนใจในระดับวิธีการมากกว่าคือมาเอาเรื่องสมาธิไปใช้แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็จะโยงเข้ามาหาเรื่องความรู้เรื่องทฤษฎีอะไรต่างๆด้วยแต่ว่ามันเป็นเพียงทฤษฎีในระดับที่จะเอาวิธีการนั้นไปใช้ซะมากกว่าที่จะเข้าถึง ตัวตรศีีที่สมบูรณ์ที น, นี้เรามามองว่าในกรณีนี้ก็ต้องพูดกันในแง่ของการยอมรับมองจากแง่ของเราก่อนว่าเรามองว่าพุทธศาสนาเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวที น, นี้การที่จะเข้าถึงตัวแท้ตัวจริงมองเห็นภาพรวมหรือระบบของพุทธศาสนาได้ทั่วตลอดจนกระทั่งถึงกับเห็นธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตมนุษย์นั้น ก็จะต้องศึกษาทฤษฎีพุทธศาสนาทั้งหมดด้วยทีนี้มีข้อแม้อีกในทางพุทธศาสนาเองที่บอกว่าแต่การที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้นั้นการศึกษาเพียงทฤษฎีย่อมไม่เพียงพอเพราะความรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต้องพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติหรือในการภาวนาอะน้นก็ในการปฏิบัติ หิภาวนานี้ก็เป็นตัวที่จะตรวจสอบความรู้ทางทฤษฎีทําให้ความรู้หรือการศาึกษาทฤษฎีนั้นไม่เขวไม่ผิดพลาดไม่เข้าใจผิดเหตุนี้นักจิตวิทยาตอนตกนั้นสนใจการปฏิบัติหาประสบการณ์ทางจิตอยู่แล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้นิวสนใจสมาธิแต่ว่าการปฏิบัติโดยไม่รู้ทฤษฎีรองรับก็อาจจะหลงไปอีกเหมือนกันนี้เมื่อกี้นี้เรามองว่า ทฤษฎีนั้นไม่สมบูรณ์ต้องมีการปฏิบัติแต่ในเวลาเดียวกันปฏิบัติแล้วการปฏิบัติโดยไม่รู้ทฤษฎีรองรับก็อาจจะหลงไปกับประสบการณ์เบื้องต้นหรือประสบการณ์หลากหลายที่ตนมีขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางที่ทําให้เข้าใจคล้อยเคลย์นี้ประสบการณ์ที่เจอในการปฏิบัติโดยไม่มีทฤษฎีรองรับก็คือการที่ไม่ได้ประสบการณ์ของผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนมาเป็นเครื่องตรวจสอบ เรารู้ปริยัติหรือทฤษฎีนั้นทฤษฎีในความหมายพุทธศาสนาไม่ใช่หมายความว่าเป็นความรู้เชิงเหตุผลแต่ทฤษฎีในทางพุทธศาสนาในที่นี้เราเพียงจะยืมคําว่าทฤษฎีมาใช้ที่จริงไม่ถูกต้องคําว่าทฤษฎีในที่นี้หมายถึงว่าบันทึกประสบการณ์ของผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วนั่นเองซึ่งได้ประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ ทฤษฎีของพุทธศาสนาก็เพื่อเอาประสบการณ์ของคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมาตรวจสอบกับประสบการณ์ของเราฉันั้นในแง่นี้ก็เหมือนกับอทฤษฎีนั้นที่เอามาตรวจสอบก็คือการตรวจสอบประสบการณ์ด้วยประสบการณ์นั่นแหละแต่เป็นการตรวจสอบประสบการณ์ของเราเฉพาะตัวด้วยประสบการณ์ที่เป็นของท่านที่เรายอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงความจริงแล้วหรือว่าได้บรรลุผลของการปฏิบัติแล้ว ก็เลยมันก็เลยวนกลับไปกลับมาว่าการศึกษาทฤษฎีจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติแต่การปฏิบัติจะได้ผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีความรู้ทางทฤษฎีคือเอาประสบการณ์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมาก่อนนี้มาเป็นเครื่องตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรู้ต้องเข้าใจและมีทั้งสองด้านเรื่องทฤษฎีนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าปริยัต และก็ส่วนที่เป็นปฏิบัติก็เรียกว่าภาวนาก็อันที่นี้ก็เท่ากับบอกว่าต้องศึกษาพุทธศาสนาทางในแง่หลักการเพื่อเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตเป็นการศึกษาด้านทฤษฎีหรือปริยัติและก็ประการที่สองต้องมีการปฏิบัติวิธีการที่เป็นการพิสูจน์ความจริงของปริยัติให้มีผลจริงแทนกับชีวิตด้วย ซึ่งเราเรียกว่าปฏิบัติหรือภาวนาอันนี้ก็เป็นการสรุปในตอนหนึ่งเนี่ยอาตมา จ, จะขอผ่านไปถ้าพูดแค่นี้ก็คิดว่าความเข้าใจความสัมพันธ์นี่ก็มีความชัดเจนน่าจะพอสมควรทีนี้จะโยงไปหาตัวอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นการช่วยความเข้าใจให้มากขึ้นอาจะมาจะพูดถึงตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยสอดคล้องกับความเข้าใจในธรรมชาติและจุดหมายของมนุษย์ ได้พูดไปแล้วว่าที่มาของปัญหาจิตใจหรือปัญหาชีวิตของคนปัจจุบันที่ก็เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมและสาระสําคัญของปัญหาจิตใจนี้คืออะไรจะขอสรุปว่าที่มาของปัญหาจิตใจของคนปัจจุบันนี้ได้แก่ความขัดแย้งระหว่างสภาพความเป็นจริงในชีวิตและสังคมกับสภาพจิตใจของมนุษย์ซึ่งไม่มีปัญญาที่จะรับมือให้สอดคล้องเท่าทันกัน กับสภาพชีวิตและสังคมที่เป็นจริงนั้นขอย้ําอีกทีหนึ่งอาจจะตามทันย่าบอกว่าที่มาของปัญหาชีวิตจิตใจของคนปัจจุบันคือความขัดแย้งระหว่างสภาพความเป็นจริงในชีวิตและสังคมกับสภาพจิตใจของมนุษย์ซึ่งไม่มีปัญญาที่จะรับมือให้สอดคล้องเท่าทันกันกับสภาพชีวิต จ, จิตใจที่เป็นจริงนั้นคือสภาพชีวิต จ, จิตใจของคนในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไป แล้วจิตใจของคนที่อยู่ในสภาพความเป็นจริงนั้นไม่มีปัญญาพอที่จะรับมือกับสภาพอย่างนั้นได้เมื่อไม่มีปัญญาพอที่จะรับมือกับมันมันก็เกิดความขัดแย้งแล้วก็เป็นปมปัญหาขึ้นมาอาตมาจะขอยกตัวอย่างเป็นคำพูดสักสี่ประโยคให้เห็นลักษณะของความเป็นไปของจิตใจของมนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วที่กาลังมีปัญหายุ่งยากอยู่ เช่นว่าหนึ่งในขณะที่สังคมมีคนมากมายรับข้างยิ่งขึ้นบุคคลแต่ละคนกลับโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหวยิ่งขึ้นสองคนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องการให้ตัวเองตอนเนี่ยได้รับการยอมรับให้เด่นให้ปรากฏ ทำอะไรให้แกตัวเองเราก็พูดได้ว่าในขณะที่คนกำลังายหาต้องการให้สังคมหรือคนอื่นยอมรับตัวตนของตนอย่างเต็มที่สังคมกลับปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นตัวเป็นตนตยิ่งขึ้นอันนี้ในตอนตกเขาก็ลองพูดว่าสังคมเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่อง i m p พอ s o n สุนันคือคนได้กลายเป็น i m p พอ s o n a l นันไม่เป็นตัวเป็นตนทรรบบของ อุตสาหกรรมระบบบิลักซ์ซีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วระบบของอุตสาหกรรมเองเช่นว่าการทำงานในโรงงานเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่เป็นคนอันนี้มันสวนทางกับวิถีจิตวิทยาของตะวันตกที่เป็นมาที่ว่าคนนีต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับตัวตนถึงกับว่าในแนวจิตวิทยาตะวันตกในทางการศึกษามีการพูดว่า เขามีความมุ่งหมายให้มีเซลล์แมกซิมายเซชันคือแม้แต่การศึกษาก็เพื่อทำให้ตัวตนเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเรียกว่าเซลล์แมกซิมเซชันอันนี้วิถีชีวิตในสังคมตะวันตกแนวความคิดพื้นฐานอะไรต่างๆระบบชีวิตอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยมุ่งหมายในเรื่องนี้ที่จะแสดงออกของตัวตนทำให้ตัวตนได้รับการยอมรับมากขึ้น แต่พร้อมกันนั้นเองระบบสภาพที่เป็นจริงของระบบสังคมชีวิตนั้นไม่เป็นอย่างนั้นกลับเป็นระบบที่ปฏิบัติต่อบุคคลในทางที่ไม่เป็นตัวเป็นตนยิ่งขึ้นมันก็เกิดความขัดแย้งและไม่สมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอต่อไปข้อที่สาในขณะที่อุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีด้วยช่วยให้คนมีวัตถุปลนเปลือยพั่งพร้อมเต็มบ้านแต่ในใจของคนนั้น กลับว่างเปล่ากลวงโบยิ่งขึ้นอันนี้ขอให้ดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าคือคนในยุคอุตสาหกรรมที่เป็นมานี้เราเรียกได้ว่าเป็นสังคมวัตถุนิยมถือว่าความสุขนั้นอยู่ที่การมีวัตถุพรั่งพร้อมอันนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนี้ก็มาช่วยให้คนเนี่ยมีวัตถุปรนเปลืยพรั่งพร้อมอย่างที่เรียกเมื่อกี้ว่าเต็มบ้านคนมีวัตถุพรั่งพร้อมเต็มไปหมดเต็มล้นบ้านอยู่ใน อยู่รอบตัวในขณะที่มีวัตถุปลนเปลยพลังพร้อมอยู่รอบตัวแต่ในใจนั้นกลับว่างเปล่ากลวงอย่างที่ว่าอันนี้มันก็เป็นสภาพที่ขัดกันซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างแน่นอนและก็ต่อไปในขณะที่คนผู้กลวงในอย่างที่ว่ามันนี้ก็พยายามไปหาความเต็มใจข้างนอกมาเติมให้กับตัวเอง คนที่กลวงในข้างในว่างเปล่านี้ก็ออกไปข้างนอกไปหาอะไรจระไลมาเติมไปหาวัตถุมาเติมไปหาสังคมภายนอกมาหากิจกรรมทางสังคมมาเติมให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกเต็มวิ่งหนีจากตัวเองออกไปหาก็จะไปพึ่งพาสังคมให้ช่วยเติมให้ตนเองให้ตัวเองนี้เกิดความรู้สึกเต็มขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่าสังคมนั้นได้ทาให้เขาอกหักเพราะว่า คนในสังคมนั้นขาดความจริงใจขาดไมตรีที่แท้จริงต่อกันอันนี้ความเต็มก็ไม่มีออกไปหาสังคมนึกว่าจะช่วยเติมเต็มให้กับตัวเองกลับกลับมาด้วยความผิดหวังอกหักยิ่งอ้างว้างว่างเปล่ายิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี้ก็คือสภาพในข้อที่สี่ที่บอกว่าในขณะที่คนผู้กลวงในพยายามหาสิ่งภายนอกมาเติมตัวเองให้เต็ม วิ่งหนีจากตัวเองออกไปหาไปพึ่งพาสังคมสังคมก็ทำให้เขาอกหักเพราะว่าในสังคมนั้นไม่มีความจริงใจขาดไมตรีที่แทจ้จริงอันนี้ก็เป็นสภาพตัวอย่างซึ่งสังคมตันตกกาลังประสบอยู่และสังคมที่พัฒนาตามแบบอุตสาหกรรมถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ปรับไม่เตรียมแก้ไขป้องกันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ ก็จะจํากัดขอบเขตของปัญหาให้แคบเข้าอีกอาตมาก็จะยกตัวอย่างปัญหาที่จํากัดลงมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งนั้นว่าปัญหาว่าในขณะนี้คนเหงาว้าเวมีความรู้สึกนี้มากอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าข้างในมันกลวงมันว่างเปล่าความรู้สึกที่ว่างว่า ง, างเปล่าเหงาเดียวดายอะไรต่างๆในครอบงาจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันว่า และเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็วิ่งหนีตัวเองออกไปหาสิ่งภายนอกมาเติมให้กับตัวเองสภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ว่าไม่สามารถอยู่คนเดียวหรือว่าไม่สามารถมีความสุขในการอยู่กับตนเองอันนี้ในขณะที่คนมีความเหงาว้าดเวอยู่แล้วในการอยู่คนเดียวเนี่ยวัฒนาธรรมตะวันตกแก้ปัญหาอย่างไรมาช่วยคนอย่างไรบ้าง เอาละตัวปัญหาคือขณะที่คนเหงาว้าเวอยู่แล้วในการอยู่คนเดียวนี่เรายกเป็นตัวกระทูรหรือปัญหาขึ้นมาแล้วเรามีวิธีปฏิบัติอย่างไรในการแก้ปัญหาวัฒนธรมาารมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในตะวันตกแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อคือแทนที่จะแก้ปัญหาว่าทําไงจะให้เขาอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องว้าเวไม่เอาอย่างนั้นนะเขาเหงาว้าเวในการอยู่คนเดียวจุด ที่ต้นต่อคือว่าทํำยังไงจะทําให้เขาอยู่คนเดียวโดยไม่อ้างวางวางเวดได้วิธีของสังคมตะวันตกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็คือว่าเปลี่ยนความเหงาเปล่าเปลี่ยวในการอยู่คนเดียวไปเป็นความเหงาเปล่าเปลี่ยวทั้งที่อยู่กันเต็มหมู่นี่นี่คือว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ยที่กําลังเป็นปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าซ้ําปัญหาเป็นสองแหละ ปัญหาเดิมไม่ได้แก้อยู่คนเดียวก็เหงาเปล่าเปลี่ยวแล้วยังเพิ่มปัญหาใหม่ก็คืออยู่กันเต็มหมู่ก็ยังเหงาเปล่าเปลี่ยวปัจจุบันอย่างที่กล่าวเบื้องต้นแล้วว่าสังคมปัจจุบันนี้ทั้งที่อยู่กันคับข้างแต่ว่าในใจคนนี้ห้างว้าง ว, าว้าวเยยิ่งขึ้นแต่ละคนก็วิ่งหนีจากตัวเองเพื่อไปหาสิ่งเติมเต็ ม, ตมจากข้างนอก แล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็ไปเจอกับสังคมที่หักหลังเขาไม่ยอมให้เขาพึ่งหรือไม่ได้เต็มใจที่จะให้อะไรแกเขาเพราะแต่ละคนในสังคมนั้นต่างก็หนีจากตัวเองมาด้วยกันทั้งนั้นเพื่อจะมาหามารับเอามาเติมให้กับตัวเองต่างคนต่างมีจุดพร่องความว่างเปล่าในตนที่จะมาหามาเติมก็เลย ไม่สามารถช่วยกันและกันได้สังคมนั้นก็ไม่สามารถจะสนองความต้องการของบุคคลเราก็มาเจอกันในสังคมในระบบที่เรียกว่าแม้มีการยิ้มก็ยิ้มแบบธุรกิจถือไม่ใช่ยิ้มแบบจริงใจก็ไปอันว่ามีความพร่องว่างเปล่ามาบุคคลมาพร้อมด้วยความพร่องความว่างเปล่าในตัวเองแล้วก็มาเจอกับสังคมโดยเอาความว่างความพร่อง ความเปล่ากลับไปด้วยเพิ่มขึนอันนี้ปัญหาของสังคมปัจจุบันทีนี้บกมาทางพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนานั้นมองอีกอย่างเพราะพุทธศาสนาบอกว่าต้องแก้ที่ต้นต่อคือตัวจุดของปัญหาโดยตรงก่อนคือต้องไปแก้ที่ว่าเมื่อคนเขาเหงา ว, าว้าวอยู่แล้วในการอยู่คนเดียวก็ต้องแก้ให้เขาว่าอยู่คนเดียวได้โดยมีความสุขไม่เหงาไม่ ว, าว้าวอันนี้ อันนี้ก็เราก็เปลี่ยนวิธีการของพุทธศาสนาก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นว่าเปลี่ยนความเหงาเปล่าเปลี่ยวในการอยู่คนเดียวไปเป็นการมีความสุขในการอยู่เดียวเราเรียกว่าอยู่เป็นสุขในวิเวกหรือวิเวกกับสุขซึ่งเป็นจุดที่เน้นย้าในพุทธศาสนาพอทำให้คนอยู่เป็นสุขคนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้เต็มในตัวแล้วไม่ต้องวิ่งไปหาที่เติมข้างนอกเพราะข้างในมันเต็ม เขาออกไปสู่สังคมก็มีความชื่นชมเบิกบานสุขในหมู่อีกเพราะแต่ละคนในสังคมนั้นต่างก็เต็มมาได้กันต่างก็พร้อมที่จะให้แล้วก็มีอะไรที่จะให้แก่ผู้อื่นเพราะไม่พร่องที่จะมาแย่งมาหาจากผู้อื่นเพราะนั้นมันก็จะมีภาวะที่เรียกว่ามีความจริงใจมีไมตรีเกิดขึ้นได้เราไม่ต้องมียิมที่เรียกว่ายิมธุรกิจคือยิมให้ไม่ใช่ยิมเอา ที่ว่ายิ้มเอาก็คือยิ้มที่หน้าแต่ว่ามืออ้าไปร้วมกระเป๋าอันนี้ก็เป็นสภาพที่เป็นไปในสังคมปัจจุบันนี้มากแล้วก็จะฝึกกันอย่างนั้นด้วยจิตวิทยาถูกนํามาสนองความต้องการอันนี้คือจะให้คนยิ้มที่หน้าและพร้อมกับอ้ามือไปร้วมกระเป๋าให้ได้ด้วยถ้าหากว่าใครทําอย่างนี้ได้สําเร็จโอ้เรียกว่าคนนั้นมีจิตวิทยานี่ ตัวแาเด็กว่ายิ้มธุรกิจก็กลายเป็นว่าฝึกให้คนยิ้มแต่การยิ้มนี้เป็นการยิ้มหลอกๆ ก, ก็เป็นการยิ้มที่ไม่จริงใจซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าคนจะต้องมีความเต็มในตัวแล้วการยิ้มนั้นจะยิ้มได้น้ำใจยิ้มได้ใจจริงคนนั้นก็จะเต็มบริบูรณ์มาในตัวเสร็จแล้วก็มาพบกับความเต็มกลับไป เป็นบุคคลที่เต็มบริบูรณ์มาแล้วมาพบกับสังคมที่เต็มบริบูรณ์ด้วยเพราะนั้นจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขมาอยู่ร่วมสังคมก็เป็นสังคมที่มีความสุขด้วยมีความชื่นบานหันษาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าทำไงจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะยกมาเปรียบเทียบถึงวิธีการของพุทธศาสนากับเรื่องของตะวันตกเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ว่า ประเด็นก็อยู่ที่การทำให้มีความสุขในการอยู่กับตัวคนเดียวได้โดยไม่ต้องวิ่งหนีตัวเองแล้วก็เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งแก้ปัญหาจากบุคคลแล้วในใจบุคคลก็ขยายไปสู่สังคมทั้งหมดด้วยแต่วิธีการแก้ปัญหานั้นทางพุทธศาสนาอ้าแทนที่จะเอาตัวคนเดียวนี้กลับไปเน้นวิธีแก้มาจากสังคมไปอีกแต่ว่าพุทธศาสนาจะยืดหยุ่น เช่นการแก้ปัญหาว่าทําไงจะให้คนเนี่ยมีความสุขในการอยู่คนเดียวได้สําหรับคนที่ถึงขั้นจริงๆถ้าบอกว่าแก้เดีระปับปัญญาใช้โยนิโสมาสิการอย่างเดียวพอก็แก้ที่ตัวเองเลยแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับคนส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ปัญหาของบุคคลจะเริ่มมาจากวิธีการทางสังคมกลับเป็นอย่างนั้นไปโดยพุะเศาสนาจะให้เริ่มจากการมีกัลยาณมิตร เราจะให้มีให้คนนั้นที่ไม่มีความสุขในการอยู่คนเดียวที่มีความอ้างว้างว้าเหวว่างเปล่าในภายในเนี้ยด้มีกาลยานามิตรกาลยานามิตรก็คือคนที่เต็มข้างในคนที่เต็มข้างในนี้ก็มาช่วยคนที่อ้างว้างภายในนั้นช่วยโดยช่วยทางด้านจิตใจก่อนการช่วยในด้านจิตใจนี้ก็คือทำให้เขาเนี่ยทำให้คนที่ว่างเปล่าภายในเนี่ย อยู่กับสังคมชนิดไม่อกหักหมายความเขามาเจอคนในสังคมและคือการยานามิตรเนี่ยที่ไม่ทําให้เขารู้สึกว่าถูกทรยศหรือหักหลังก็ทําช่วยให้เขามีความเต็มไภายในใจได้ทีนี้ต่อไปการยานามิตรนั่นนอกจากช่วยทางด้านจิตใจแล้วก็จะช่วยด้านปัญญาด้วย ด้านปัญญานี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้คนนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต จ, จิตใจของตนเองจนกระทั่งว่าคนนั้นเป็นอิสระภาพมีอิสระภาพเพราะช่วยตัวเองได้ถ้าเราการช่วยในร ะ, ระดับจิตใจนะี้ยังไม่ทําให้คนมีอิสระภาพต่อเมื่อช่วยแก้ปัญหาถึงระดับปัญญาคนนั้นจึงจะมีอิสระภาพเพราะฉะนั้นหน้าที่ขอ ก, กาลยานามิตรเป็นการแก้ปัญหาจากด้านสังคมเข้ามาหาบุคคลแต่ก็เริ่มจากสังคมนั้นมาหาจิตใจก่อน และด้านจิตใจ ย, ยังไม่พอต้องถึงปัญญานี่ก็คือระบบของพุทธศาสนาอันนี้เมื่อถึงด้านปัญญาแล้วบุคคลนั้นจะช่วยตัวเองได้และเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยที่มีความสามารถที่จะทําตัวเองให้เป็นสุขในการอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหานี้จึงได้บอกแต่ขั้งต้นว่าพุทธศาสนาเป็นระบบที่องค์ประกอบหลายอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในการแก้ปัญหาแม้แต่บุคคลที่มีความเหงาว้าวัในใจเราต้องการกัลยาณมิตรเราต้องการสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยศีลคือมีความสัมพันธ์ในเชิงสังคมที่ดีที่ไม่เบียดเบียนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มุ่งหาประโยชน์จากกันมีความก็มันก็โยงไปหาจิตใจซึ่งจากนั้นก็ทําให้จิตรู้สึกเต็มอิ่มแล้วก็โดยที่ว่าบุคคลนั้นเองในที่สุดแล้วจะต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงแห่งชีวิต ซึ่งในการที่จะทําให้หายว่างเปล่านี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพาราดอกซ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาบอกว่าการที่เขาจะหายว่างเปล่าก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจความว่างเขาจะหมดความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อเขารู้จักความว่างอันนี้ก็นําเข้าสู่หลักการที่เรียกว่าอนัตตาเมื่อคนรู้จักความว่างรู้จักอนัตตาเข้าถึงความจริงของชีวิตอย่างที่สุดหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าถึงสุญญตาแล้ว เขาจะหายจะหมดความรู้สึกว่างเปล่าอันนี้ก็จะเป็นยังไงจะไม่แ จ, จยังไม่อธิบายในทีน่นี้แต่ก็จะพูดสั้นๆบอกว่าตกลงการแก้ปัญหาในขั้นสุดท้ายต้องถึงปัญญาปัญญาที่รู้จักความว่างเปล่าจากตัวตนคือรู้จักอนัตตารู้จักเข้าใจชีวิตและโลกนี้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้จักด้วยปัญญาคำว่ารู้จักนี่หมายถึงปัญญาแนละ้ว รู้จักความว่างแล้วก็จะเกิดภาวะทางจิตคือความว่างของจิตใจจากกิเลสและความทุกข์ตอนแรกรู้จักความว่างในปัญญาต่อมาจิตใจมีผลเกิดทั้งทางจิตใจก็คือว่าจิตใจว่างจากกิเลสและความทุกข์นี่คือการแก้ปัญหาระดับจิตใจที่มีผลโยงมหาปัญญาความว่างในที่นี้ก็คือความเป็นอิสระ ในความหมายหนึ่งทีนี้เมื่อจิตว่างจากกิเลสความทุกข์แล้วกลายเป็นว่าจิตนั้นก็เต็มอิ่มนี่จิตนี้เต็มอิ่มก็เป็นจิตเป็นความปฏิบัติระดับจิตใจการทําจิตใจให้เต็มอิ่มนี้ก็คือการปฏิบัติในระดับสมาธิแล้วเมื่อเขามีจิตเต็มอิ่มในสมาธิคือมีระดับจิตเป็นสมาธิเนี้ เขาออกไปมีความสัมพันธ์ในทางสังคมก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความชุ่มชื้นเบิกบานในสังคมนั้นในกรณีนี้กลายเป็นพูดกลับกันว่าจากปัญญาส่งผลมาสู่ระดับจิตหรือสมาธิแล้วระดับจิตหรือสมาธิส่งผลไปหาพฤติกรรมในทางสังคมคือระดับศีลเราก็เลยมองว่าระบบของพุทธศาสนานี่มันเวียนกลับไปกลับมาการปฏิบัติฝึกนั้นฝึกจากศีลเข้าไปหาสมาธิแล้ว ไปหาปัญญาแต่ในทางกลับกันเวลาส่งผลในปัญญาส่งผลมาสู่จิตและส่งผลมาสู่พฤติกรรมระดับสีทั้งหมดนี้เป็นระบบ ข, ของความสัมพันธ์ในองค์รวมของชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่องในทางพุทธศาสนาในแง่นี้ก็มีแง่ที่เราจะพิจารณาโดยสัมพันธ์กับจิตวิทยาตะวันตกและเป็นจุดหนึ่งที่จิตวิทยากับตะวันตกกําลังหันมาสนใจพุทธศาสนา ซึ่งฝรั่งกำลังมาสนใจเรื่องความว่างเรื่องเอ็ม i ติน s สเรื่องอยู่สุญญตากันอยู่ก็ไม่น้อยและอันนี้ก็กลับเป็นจุดที่จะนำไปแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันที่คนรู้สึกอ้างว้างว้าเวว่างเปล่ากลวงในภายในอย่างที่กล่าวมานั้นในข้อสังเกตในกรณีนี้ก็คือว่าการอยู่เดียวอาจจะก่อให้เกิดโรคจิตก็ได้หรืออาจจะเป็นการแก้โรคจิตก็ได้ ทางนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมีสภาพจิตใจและปัญญาอย่างไรบางท่านถึงก็บอกให้แยกมีคำว่า b e i ิ g alone กับว Lo ิงโลนลี b e อ n g อ l o n e นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือได้วิเวกัสสุแล้วก็จะไม่ e i อิ l o n น l y แต่ถ้า e i อิ lonely แล้วก็ไม่ไหวก็จะต้องเป็นปัญหาจิตใจซึ่งเนื่องจากการขาดปัญญาที่แท้จริงแม้ในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็เคยจัด แยกความแตกต่างระหว่างความอยู่เดียวที่แท้กับความอยู่เดียวเทียมความอยู่เดียวแท้เป็นอย่างหนึ่งคือความมีจิตใจและปัญญาในสภาพที่ทำให้ตนเองนี้อยู่เป็นสุขแต่ว่าความอยู่เดียวชนิดที่เทียมก็คือความมีสภาพจิตที่ขาดการฝึกจิตขาดการพัฒนาไม่มีปัญญาที่รู้เข้าใจความจริง ก็จะทาให้เกิดปัญหาจากกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาก็าเลยเราก็มีความว่างแบบเต็มกับความว่างแบบกลวงโบไร้ความหมายแล้วก็มีความว่างแบบที่เห็นแจ้งด้วยปัญญากับความว่างเปล่าทางอารมณ์คือการรู้จักความว่างกับการรู้สึกว่างเปล่าถ้าเป็นการรู้จักความว่างอันนี้คือปัญญาถ้าความรู้สึกว่างเปล่านั้นคือเป็นด้านจิตหรงออารมณ์ แล้วก็ความว่างแบบเวิงว้างไม่รู้ทิศทางน่ากลัวกับความว่างที่โปร่งโล่งทําให้เกิดความคล่องตัวอันนี้มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างสําหรับบางคนนั้นจะมีความว่างประเภทที่ว่าวิ้งว้างไม่รู้ทิศทางจะไปไหนสับสนน่ากลัวแต่สําหรับบางคนแล้ว่ารที่พัฒนาจิตปัญญาดีก็จะมีความว่างชนิดที่โปร่งโล่งคล่องเบิกบานผ่องใส อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะมายกหมดพูดเพื่อจะให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสมัยใหม่กับข้อปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนาซึ่งจะเน้นในแง่ที่ว่าจะเห็นว่าจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรซึ่งทางตะวันตกก็มุ่งประโยชน์ในแง่อย่างที่กล่ามวมานี้เพราะปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในสังคมตะวันตกปัจจุบันซึ่งมาจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็คือความรู้สึกว่างเปล่าความมีอินเนอร์ เอ็มทีเนสความรู้สึกเอ็มตีนี้แล้วก็มาเรียนรู้ฝึกวิธีแก้ปัญหานั้นแก้ความรู้สึกว่างเปล่านั้นด้วยการรู้จักความว่างที่ทําให้เต็มกลายเป็นว่าทุกคนที่พัฒนาจิตปัญญาดีแล้วเข้าถึงความว่างรู้แจ้งความว่างในปัญญาเป็นผู้ว่างแต่เป็นผู้เต็มเขาเต็มเพราะเขาว่าง ถ้าเข้าใจนี้จะเข้าใจสาระพุทธศาสนาในแบบหนึ่งบุคคลที่เต็มเพราะวางแล้วก็คนที่พร่องก็เพราะว่าไม่ว่างอันนี้ปัญหาปัจจุบันนี้จะมาว่าท่าที่พูดมาก็จะทำให้พอมองเห็นภาพได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน้นให้เห็นความสําคัญของปัญญาในพระพุทธศาสนาด้วยที่ว่าในการแก้ปัญหาในขั้นสุดท้ายแล้วปัญหาจิตใจจะต้องแก้ด้วยปัญญา เป็นการแก้ปัญหนาในคันตัดสินที่จะ น, นำจิตใจของมนุษย์ไปสู่อิสรภาพแล้วก็บุคคลผู้นั้นถ้ามองในแง่ของการเป็นอยู่ในสังคมเราก็จะบอกได้ว่าเขาจะมีความสุขในการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วเมื่อเขาออกไปสู่สังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาก็จะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและช่วยทาสังคมให้เป็นสุขด้วย จะกลายเป็นสังคมที่มีความเต็มอิ่มเพราะเขาไปด้วยแล้วถ้าว่าคนในสังคมโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้กันมันก็ย่อมทำให้เกิดสังคมที่ดีงามชีวิตก็เป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่เต็มเป็นชีวิตที่มีความสุขและทำให้สังคมก็พร้อมมีความสุขด้วยเนี่ยตมาก็พูดมาก็ต้องการให้เห็นเข้ามาถึงหลักการของพุทธศาสนาบางอย่างที่ตะวันตก กำลังเพ่งมองด้วยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็คิดว่าการพูดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาคือจิตวิทยาสมัยใหม่และจิตวิทยาที่มาจากตะวันตกกับข้อปฏิบัติทางจิตใจในพระพุทธศาสนาก็พอสมควรกับเวลาหรือเกินเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอยุติแารเ์เียงท่านีขออนุโมทนาทุกท่านและขอให้ทุกท่านเจริญงอกงาม ในการภาวนาเพื่อได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาทั้งในระดับจิตใจและปัญญาแล้วออกมาสู่พฤติกรรมในทางสังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยโดยทั่ว ก, การทุกท่านตลอดการนานเทอ